รู้สึกรู้สึกก็มีความแบบยินดีนะยินดีตรงที่ว่าเออพวกเราเนี่ยมีความตื่นละคือตื่นก็คือเรียกว่ารู้สึกตัวเป็นนะเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวเพราะว่าได้มีการอะไรนะเขาเรียกว่าทั้งยกตัวอย่างทั้งอะไรให้ให้ปฏิบัติไปเลยอ่ะเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าแนวแนวที่หลวงพ่อสนทนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดเพื่อให้เข้าใจอย่างเดียวแต่มีการปฏิบัติในตัวไปด้วย เพราะว่า <Okay. S 1> ตรงนี้ยมันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันขณะแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าสมมติว่าพวกเราเริ่มจับทางได้แล้วเนาะในเรื่องของการรู้ตัวเราหรือว่ารู้ตัวเองเนี่ยว่าอ๋อการรู้ตัวเองเนี่ยที่ที่มันมันถูกต้องเนี่ยมันคือมันต้องออกในลักษณะแบบนี้พอที่ผ่านมาเนี่ยการรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้ก็เรียกอะไรนะมันมันมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวเราแต่ ถ้ารู้สึกตัวถูกต้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีธรรมชาติรู้ที่รู้ว่ามีตัวเราเนาะอย่างที่หลวงวันยกตัวอย่างนะตั้งแต่เริ่มตัวอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างที่โยมหนุย่ยนุยยกนะทีเนี้ยคนที่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไปต่อยอดเอาเองเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวอ่าก็เรียกว่าตามตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามเวลาต่างๆที่ที่มันจะฝึกจริงๆมันฝึกได้หมดแหละ ไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องไม่ว่าเราจะอยู่กลางแจ้งไม่ว่าเราจะอยู่ในในรถในลาในยานพาหนะไม่ว่าจะอยู่ดำน้าหรือเดินบนดินอะไรก็แล้วแต่นี่นะกระโดดรลดเต้นเนี่ยมันสามารถรู้รู้ตัวแบบนี้ได้ตรงตรงฝึกแบบนี้ฝึกให้มากก็เรียกว่ามันมันเป็นสร้างประสบการณ์ทำประสบการณ์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความชำนาญมาก พอมันมีความจนานาญเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันรู้แจ้งนะรู้แจ้งต่อตัวเราตัวเราเนี่ยมันสามารถรู้ตัวเราได้ทั้งตัวอย่างเมื่อวานที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันรู้ทั้งตัวมันไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องส่วนใดแต่มันรู้ในภาพรวมว่าเออเราอยู่ในห้องมันก็รู้เราแบบรวมๆทั้งตัวแล้วก็รู้เบาๆนะเบามากเลยแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้ภายในภายในกายภายในจิตใจเนี่ยมันก็สามารถรู้ได้หมดเลย เพราะว่ามันรู้เป็นก็ในจุดเริ่มต้นรู้เป็นแล้วท่ามกลางมันก็ยิ่งชำนาญในบั้นปลายมันก็ยิ่งแจ่มแจ้งเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ที่มันส่องแสงลงมาบนโลกส่องแสงมาลงบนโลกก็เหมือนกับว่ามันส่องทุกมุมทุกแห่งทุกจุดเพราะนั้นไอความรู้แจ้งเนี่ยมันก็สามารถรู้แจ้งในตัวเราก็คือรู้อะไรว่าตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป นะปรากฏแล้วหมดไปไม่ว่าทั้งส่วนของร่างกายจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมีแล้วหมดไปแต่ธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีวันมีและมันไม่มีวันหมดคือมันไม่ได้ปรากฏไงใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเรานี่แหละเป็นธรรมชาติที่พ้นจากตัวเราพ้นจากสังขารพ้นจากความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาตินั้นแหละที่ พระพุทธเจ้าไปพบมาแล้วก็มาบามาบอกเราเราก็เออถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยเหมือนว่าขวานคุยกันบอกโอ้ไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ได้รู้ตัวเป็นแยกแยะเป็นว่าไอตัวเราคือตัวทุกข์แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงนี่นะวันนี้เอหลวงพ่อขึ้นหัวข้อขว่าเพื่อการปล่อยวางเมื่อวานคือเ อ, อรู้ตัวเรานะคะ <c oughs> ก็ต่อเนื่องกันมาว่าเมื่อวานเนี่ยพอรู้ตัวเราก็เพื่อการอะไรอย่างนี้พอใใช่คือมันปัญหาที่การปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเราเนี่ยมันมันปล่อยวางไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวที่ต้องปล่อยวางก็คือตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยต้องวางเพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นตัวเราเสียก่อนเนาะทีนี้มันปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยเห็นตัวเราไม่ได้เลย ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งอธิบายเท่าไหร่ยังเห็นไม่ได้ตรงนี้คือคือไม่โทษกันเนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของจะเรียกว่าบารมีก็ได้เนาะสะสมมามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะทำให้เกิดการการรู้แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครทุกคนเนี่ยจะรู้ตามกันได้แต่สิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือ เ, เขาเรียกว่าขยันเนาะขยันฟังขยันเพียนเอเอเพียนในการฟังเพียนในการปฏิบัติในการสังเกตไอหลงเหล่านี้แหละนะเขาเรียกว่าสร้างบารมีใช่ไหมเออสร้างไปแล้วก็มันก็ก็เรียกว่าได้พัฒนาก็แล้วกันแต่จะแค่ไหนก็คือต้องก็คือแค่นั้นพัฒนาไปเรื่อยๆนะอันนี้มันมีประเด็นหนึ่งอย่างก็คือผู้ที่รู้ตัวเป็นเนี่ยสามารถ อ่านคนอื่นเป็นแล้วทีนี้ว่าคนไหนเขายังรู้ตัวไม่เป็นคนไหนรู้ตัวเป็นเนี่ยเขาจะมองเห็นแล้วนี่เพราะว่าตัวเองเขาเรียกว่าตัวเองรู้ตัวเองเป็นแล้วใช่ไหมก็เข้าใจได้แต่เขาจะมองคนอื่นออกเลย ว, ว่าเออคนนั้นโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะนะั่นน่ะยังไม่รู้ตัวเลยคือ <c oughs> จะรู้ได้ไง <c oughs> <c oughs> จะเข้าใจได้เออทีนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็ก็รู้สึกดีมากนะที่ที่เราได้มีการพูดมีการคุยกัน หลากหลายมากเลยหลากหลายก็คือช่วยกันเป็นกรรนนะัญญาณมิตรกันแบบมันดูดีอ่ะนะออแล้วเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องของความเมตตาเนี่ยทั้งหมดว่าพูดที่รู้แล้วเห็นแล้วก็เออเมตตาให้กับคนที่เขายัางมองไม่เห็นคือต้องใช้ตรงนี้ยอย่าได้ใช้พวกอะไรนะอารมณ์หรือว่าเอาผิดเอาถูกกันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่หลวงพ่อฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนะเมื่อวานนะในกลุ่มนะแล้วก็มี หลายคนด้วยมีหลายคนมาก<ะ>ที่จะจะช่วยกันอทีนี้หลวงพ่อเอาเหตุการณ์เนาะเอ า, อาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องผ่านไปแต่เพื่อ <c oughs> เพื่อขยายความเนาะขยายความในสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยช่วงต้นๆเลยหลวงพ่อก็เหมือนกับว่ามาซักซ้อมเรื่องความเข้าใจว่าอ่าในคําว่าของคําว่าสังขาร น, นะ สังขารก็หมายความว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยที่มันที่เรียกว่าเนตัวเราเนี่ยนะอันนี้คือสังขารก็เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะสิ่งที่รวมๆกันมาที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยหรือว่าตัวฉันหรือว่าตัวผมเนี่ยอันนี้คือมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยมีแล้วจะต้องหมดไปมีแล้วจะต้องหมดไปมันจะไม่มีความต้องเที่ยงแท้คือหมายความว่ามันจะต้องแตกสลายดับไปหายไปหมด ทีนี้เราลองมามองอย่างภาพรวมก่อนว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยคือเดิมมันยังไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนอคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยเดิมะนะก่อนที่เราจะเกิดมาแล้วต่อมามันก็เกิดตรงนี้เขาเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เราก็จะมองเหมือนกับว่ามันก็พอเข้าใจในระดับเบื้องต้นเลยว่า เ, เราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยทุกคนก็จริงๆอะตอนนี้พอเข้าใจได้ว่าต่อไปเนี่ยจะต้อง แตกสลายคือตายไปถูกเผาเนาะหรือไม่ก็ถูกฝังหรือว่าอาจจะเก็บศพไม่ได้แล้วก็ไปอยู่กลางป่าไปจมในน้ําเนี่ยมันจะต้องแตกสลายหายไปหมดจนกระทั่งความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยของเราเนี่ยก็จะไม่มีซากให้มองเห็นเป็นคนได้อีกแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสังขารที่เกิดแล้วก็หมดไปอันนี้เป็นภาพรวมนะอ่าทีนี้พอเรารู้จักว่าสิ่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราเรียกว่าสังขาร ทีนี้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราบ้างสิ่งที่อยู่นอกตัวเขาก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาแม่น้ําหรือว่ า, าพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆเนาะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารได้เหมือนกันเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายตายไปหมดเหมือนกันทีนี้พอเรารู้จักสังขารแล้วนะเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ให้มองว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่ก็เป็นสังขารถูกไหมเช่นโยมหนุ่ยก็ทั้งตัวก็เป็นสังขารโยมโอ้ยแย่ไม่รู้ใครม้างรวมถึงตัวหลวงพ่อก็เป็นสังขารเนาะแล้วใครต่อใครก็เป็นสังขารแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาเรียกว่ามีการปรากฏเนาะสังขารในการพูดก็เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็พูดไปเห็นไหมไม่มีใครนะพูดแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยไม่ต้องหายใจเลยไม่มีอะ ก็จะพูดบ้างหยุดบ้างพุ่นบ้างหยุดบ้างก็จะมีการเอ่อมีการสลับอ่าแล้วก็ส่วนร่างกายก็เหมือนกันเห็นไหมร่างกายก็มีความเคลื่อนระหวงังอ่าเมื่อวานเราอยู่ในกลุ่มเนาะไม่มีใครที่ยืนแข็งทื่อเป็นก้อนหินหรอกเนาะหรือว่าไม่มีใครนั่งแข็งทื่อเป็นก้อนหินมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในในกิริยากาันกันนั่งการเดินการยืนอะไรก็แล้วแต่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเลยอ่แล้วก็รวมถึงนะรวมถึงความคิดความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจอ่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกันมีความปรุงแต่งมีความรู้สึกได้มีความอย่างนั้นได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยที่เหตุ <c oughs> การของที่หลวงพ่อพูดเฉพาะของเมื่อวานตอนนั้นอ่ะนะเออค่ะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยโยมคือเรียกว่าเป็นสังขารทั้งหมดมีแล้วหมดไปแล้วเราดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ย สังขารทั้งหมดเนี่ยเขากำลังแสดงเขากาลังแสดงการพูดก็คือสังขารกำลังแสดงการนิ่งเงียบอยู่ก็นี่ก็กสังขารก็กำลังแสดงในอาการที่ที่เงียบอ่อย่างบางคนที่พูดเนาะอันนี้ก็เรียกสังขารแสดงในการแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวการปรากฏให้รับรู้ได้ส่วนคนที่นั่งเงียบๆเมื่อวานเนี่ยไม่คุยไม่ออกเสียงไม่อะไรเลยอันนั้นก็ยังเป็นสังขารแต่ สังขารที่สังขารเงียบสังขารที่แต่ไม่เงียบจริงนะยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวตัวนั้นแหละนะคอะทีนี้พอเราเข้าใจในภาพรวมเสร็จแล้วโยมดูสิว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยนี่นี่สังขาร น, นี่คือธรรมชาติเนาะมันเป็นเช่นนี้เลยโยมมันเป็นเช่นนี้นะไอ้ตัวสังขารจริงๆมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะไรเลยคือมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยคือมันมีการเคลื่อนไหวมีการกระดุกกระดิกมีการเกิดแล้วก็ดับไป มันไม่มีความผิดความถูกในตัวของมันนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ยึดถืออะไรกันเลยนะเออเรียกว่าสภาพสังขารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยให้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องของสังขารเลยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะอะไรทําไมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะมันมีแต่สังขารเท่านั้นมันมีแต่สังขารเท่านั้นมันไม่ได้มีใครเป็นไม่ไม่ได้มีคน ไม่ได้มีคนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าของสังขารมันมีแต่สังขารเท่านั้นและก็เกิดแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปตรงนี้หลวงพ่อจึงชีห้เห็นว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นตัวตนตัวเราตัวเขาไม่มีนะแต่ที่มันมีมีเนี่ยเราสมมุติเรียกกันนายโยมเราสมมุติเรียกกันว่าเอออันนี้สังขารของโยมหนุย่ยนยนะอันนี้สังขารของหลวงพ่อเนาะอันนี้สังขารของโยม เ, เดี๋ยวดูก่อนอา้าวไม่ต้องบอกชื่อมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างเนี้ยว่าอ๋อมันมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดแล้วก็หมดไปมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ยึดครองสังขารเนี้ยตรงเนี้ยไอตรงที่ไม่มีใครยึดครองสังขาร น, นี่แหละมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือจะไม่มีผู้ทุกข์กับสังขารมีแต่สังขารเกิดแล้วก็หมดไป นึกออกใช่ไหมเมื่อไม่มีใครยึดมันก็ไม่มีใครทุกข์สิแต่ที่มันทุกข์อยู่ทุกวันเนี้เพราะไปยึดสังขารไปยึดว่าสังขารเป็นเราไปยึดสังขารว่าเป็นของเราหลวงพ่อเนี่ยจึงคุยในแนวทางปัญญาเพื่อให้เข้าใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตา นี่คือหลวงพ่อมาคุยในเรื่องประเด็นตรงนี้นะคือคือจริงๆในเรื่องของการการคุยเนี่ยมันมีหลายเรื่องถ้าคนที่จะเก่งในทางคุยเรื่องศีล น, นะก็โอเคก็ยกให้คนที่เก่งในการคุยเรื่องศีลศีลหศีล8ปศีลสิศีล2 27อ่าก็ก็คุยในเรื่องศีลหรือใครจะเก่งในเรื่องของอการให้ทานการทําทาน ก็จะคุยในเรื่องทานเนาะหรือใครจะเก่งในเรื่องของสมาธิก็คุยในเรื่องสมาธิแต่หลวงพ่อคุยในเรื่องของให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่มีที่ปรากฏมันเป็นสังขารแล้วก็เกิดดับแล้วสังขารเนี้ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่คนไม่ใช่ใครแล้วก็สุดท้ายมันเกิดแล้วก็ต้องดับแล้วที่สุดคือไม่มีใครเป็นเจ้าของสังขารนี้ ไม่มีใครเป็นผู้ยึดเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้ยึดนั่นแหละคือเป็นความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดไม่มีใครทุกก็คือมันจะจบหลักสูตรในเรื่องของทุกขกับความพ้นทุกขแต่ทีนี้ถ้าเราฟังไม่ตลอดเราฟังไม่เข้าใจไงก็อาจบางคนโอเคอาจจะเข้าใจผิดได้บอกว่าทาไมสอนอย่างนี้ก็โอเคก็มองถูกแต่จริงๆอ่ะหลวงพ่อมันก็สามารถเหมือนกับว่าโอเคเราเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนาะ ใครท่านนัดจะฟังเรื่องไหนก็มันมีอยู่แล้วนี่คนพูดก็มีคนพูดก็เออก็ไปฟังเรื่องศีลไปฟังเรื่องนู้นก็ฟังไปแต่ทีนี้คนพูดที่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเขาจบฟังหมดเลยตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เมื่อรู้ครบท้วนกระบวนความสุดท้ายก็มันจะจบลงถึงที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรมันก็คือไปสู่เรื่องเดียวกันก็คือเป็นความพ้นทุกข์เออมันก็เป็นอย่างนี้ วันนั้นมันเป็นเรื่องต้องคือบางทีเนาะต้องช่วยตัวเองด้วยไงว่าเออเราก็ต้องรอบรู้ในการฟังรอบรู้ในการศึกษารอบรู้ในการเรียนรู้แล้วมันก็จะมีความรู้กว้างขวางรู้รอบรู้หมดมันก็สามารถต่อจิกซอกันได้ลงตัวพอดีว่าอ๋อสุดท้ายมันก็มาจบตรงนี้อะไรประมาณอย่างนี้เออทีนี้เรื่องของความรู้สึกตัวเนาะอันนี้เพื่อความเข้าใจของพวกเราด้วย เรื่องการรู้ตัวรู้ตัวได้คือมีสตินะเมื่อรู้ตัวลองนึกภาพตามนะถ้าเรารู้ตัวปั๊บเนี่ยเพราะตัวเรานี่มันมันมีมันสังขารอะไรได้บ้างตัวเราคือพูดได้ตัวเราคิดได้ตัวเรามีการกระทำอะไรก็ได้แต่ที่นี้ถ้ามีสติรู้ตัวนั่นหมายความว่ารู้ตัวว่าตัวเองกำลังพูดอะไร กำลังพูดดีไหมกำลังพูดร้ายไหมกำลังพูดโกหกไหมกำลังพูดเพลยเจอร์ไหมกำลังพูดหยาบไหมเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องตัวเราว่าเราพูดแบบไหนแต่ถ้ามีสติที่ถูกต้องโอเคสติจะต้องควบคุมกำกับได้อยู่แล้วว่าถ้าพูดชั่วจะไม่พูดถ้าพูดดีก็พูดได้ถ้าพูดคำหยาบก็จะไม่พูดถ้าพูดคาไพเราะคาปกตินะก็จะเออก็จะให้พูด เพราะนั้นตัวสติเมื่อรู้ตัวเรามันก็ทำให้การพูดเขาเรียกว่ามีศีลละศีลทางวาจาใช่ไหมก็จะไม่ไม่ผิดศีลเรื่องการกระทำก็เหมือนกันถ้ามีสติทำชั่วเขาก็รู้ว่าทำชั่วทำแล้วเป็นบาปให้โทษในตอนหลังเขาก็สติก็จะเป็นตัวเมลกตัวหยุดคือไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้แต่ทำสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็จะไม่ทาอันนี้ก็คือศีลทางทางกายนะ แล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆก็เหมือนกันประกอบอาชีพที่เป็นโทษเป็นภัยเบียดเบียนกันเช่นขายอาวุธปืนขายอาวุธเพื่อสงครามขายอาวุธเพื่อฆ่าเขาเรียกว่าประกอบอาชีพหรือว่าขายประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์เพื่อไปฆ่าถ้ามีสติเขาก็จะไม่ทําเพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมหรือเป็นโทษเพราะฉะนั้นสติเมื่อรู้สึกตัวปั๊บมันก็จะมาเมกมาห้ามว่าเอาสิ่งนี้ ประกอบอาชีพไม่ได้จะทำไม่ได้มันก็ไม่ทำอาชีพนั้นเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็รวมความนะทั้งหมดเนี่ยคือถ้ามีสตินะหลวงพ่อจะแจงอย่างนี้ถ้ามีสติก็จะมีศีลจะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาชัวเลยเพราะว่าสติตัวเดียวเนี่ยมันจะสามารถที่จะให้เกิดในทางกุศลทั้งหมดเลยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ทีนี้ถ้าขาดสติมันก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสติเนี่ย มันจะเกิดปันเขาเรียกว่าเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าครบองค์ของอริยมรตมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิตั้งแต่สัมมากรรมหรือขั้งแต่ความดำรีชอบเนาะออความเห็นชอบดำรีชอบพูดจาชอบการงานชอบประกอบอาชีพชอบและความความเพียรชอบสมาธิชอบอสติชอบเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในองค์มรตเพียงแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ใช้พูดไม่ได้ใช้คําพูดแบบนั้น แต่ให้มาฝึกสติให้รู้สึกตัวแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเองนะเพราะว่าสติเนี่ย ม, มันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดเริ่มเหมือนกับว่าอะไรขเขาเรียกว่ามันง่ายในการฝึกไงฝึกสติตัวเดียวครบหมดอริยามรรคองแปดถ้ามันครบพร้อมกันเมื่อไหร่นั่นแล้วก็คือเป็นผลไปเลยใช่ไหมเป็นผลก็คือบรรลุธรรมเป็นจบไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็วันนี้ก็หลวงพ่อเพื่อปรับความเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวว่าจะสอนสอนผิด อย่างนั้นอีกเนาะเพื่อแก้ไขข้อสงสัยแต่ทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคถือว่าการฝึกสติถ้ารู้ตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้ครบหมดเนาะแล้วก็สามารถพ้นทุก์ได้จริงขณะที่รู้ตัวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอริยมรรคอริยผลในปัจจุบันก็ได้แล้วก็เป็นบรรลุฉับพลันเขาเรียกว่าบรรลุฉับพลันนะมันเพราะว่ามรสมังคีคือในขณะจิตเดียวก็สามารถบรรลุทําได้หลวงพ่อ ก, ก็ชี้แจงในส่วนที่ อาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เนาะอ่าอะต่อไปก็เราก็มาชวนคุยกันตอนน่้ต้องขอบคุณหุวงพ่อนะครับที่ชี่ชี้และแนวทางทผมเป็นคนที่มีศาสนานะครับเพราะว่าผมมองว่าศาสนาสำหรับผมเ อ, อ่อเป็นความจําเป็นเพราะว่าเ อ, อ่อจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตเราดําเนินอยู่ด้วยธรรมชาติที่เราดําเนินอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเออเรามีความสงสัยใครรู้แล้วเรามองไม่ออกเพราะฉะนั้น ศาสนาในลูกศาสนานะครับปุ๋บโฟกัสที่พุทธแล้วกันผมเปนคนพุทธนะครับศาสนาลูกศาสนาดีหมดแตนี้ใน ส, ส่วนศาสนาพุทธเนี่ยเ อ, อก็คือการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการคิดให้เราแล้วแล้วก็บอกในสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละนะครับที่ผมเคยเคยดูมานะครับว่าเหมือนพระองค์ท่านก็มองว่าเ อ, อท่านสงสัยอะไรท่านก็ไปหาคําตอบแล้วก็นํามาสอนเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเ ร, เรามองว่าเรามองว่าเราเรามองว่าท่านคิดสอนเรื่องยากๆจริงมันไม่ได้ยากนะครับถ้าถ้าเอาบาลีห ร, รรหรือศาสตรสกิตหรือภาษาใดก็ตามแต่มาแปลให้เป็นคําที่เข้าใจง่ายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการแปลให้เราได้อ่านแล้วเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่สําคัญที่ผมรู้สึกว่าศาสนาสําสคัญเนี่ยเพราะว่า มัาทำให้เราได้ได้รู้จากธรรมชาติของเราครับเช่นเราหลงอยู่กับความสุขที่เราเกิดมาแล้ววันหนึ่งร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่แบบเราต้องมีความแก่เข้ามาเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเออความแก่แล้วนะ่ะคืออะไรคือจริงๆก็ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์อธิบายไปหมดแล้วแต่ว่าในในสมัยนั้นนะครับก็คงยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นศาสนาก็เป็นส่วนสําคัญที่ที่จะต้องท่านก็อธิบายให้ฟังแล้วความเจ็บ คือสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วแล้วก็ความตายคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญนะครับอะไรแบบนี้ยเราจะได้อยู่อะไรแบบนี้จากเข้าใจแล้วก็เ อ, อรับมือกับมันได้เวลามันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าเอพระองค์ท่านน่มองสเกลที่เล็กกว่าเรานะครับมองสเกลที่เล็กกว่าเราทําให้เราได้รู้สึกว่าสิ่งที่เรามองข้ามไปหลายๆอย่างเราไม่ทันได้มองเช่นเอถ้าอุบมาอุบไมง้ง่ายๆนะครับ รูใบโอผมเนี่ยผมถ่ายเองก็จะเป็นรูปใบบัวนะครับแล้วก็มีมีน้ําหยดอยู่หยดหนึงเราก็มองว่าแบบใบบัวมันหยดที่น้ํานะครับแล้วทําไมเราถ้าเราเคยสังเกตก็คือถ้าเราราดน้ําที่ใบบัวเนี่ยเ อ, อน้ําไม่เคยทะน้ําจะไม่ค่อยทะุผ่านผมหมายถึงว่าหยดน้ําไปนะครับไม่ใช่แบบเอาสายยางฉีด น, น, น้ําจะไม่ค่อยทะลุผ่านใบบัวไปเพราะว่าเราก็สงสัยแค่สงสัยครับแต่ถ้าเรามองในเชิงลึกเอ่อ ผมก็ไม่ได้รู้ว่าผมก็ไปอ่านไ ป, ไปศึกษามาอ๋อจริงๆแล้ว อ, อพื้นผิวใบบวมมนะัวมันขรุขระนะแล้วโมเลกุลของน้ําเป็นทรงกลมแล้วพื้นผิวของใบบัวเนี่ยมันมีลักษณะประมาณสิบไมครเท่านั้นเองคือหนึ่งไมโครก็คือเอาหนึ่งมิเมตรมาหั่นพันชิ้นอนะฮะแล้วก็เอามันหนึ่งพันก็คือหนึ่งไมโครโดยประมาณเนี่ยผมว่าองค์งพระสัมมาทิฏฐิเจ้าท่านก็คงมองเรื่องทุกข์เหมือนกันว่าเ อ, อทุกคนมองทุกข์ทุกคนมองว่าเป็นทุกข์แล้วก็เออมันมันเป็นทุกข์เนาะ แต่พรงท่านก็มองสเกลเล็กกว่านั้นว่าเออแล้วทําไมเราต้องทุกข์อ่าเราทุกข์เพราะอะไรแล้วเหตุที่เราจะต้องทําเพื่อทุกข์เหตุที่ต้องทําเพื่อแก้ทุกข์และแนวทางที่ต้องทําและการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์มันต้องทํำยังไงเนี่ยครับเหมือนพระงท่านสอนให้อยู่กับกับทุกข์แต่มีความสุขที่ผมก็ผมก็มีความผมก็ยังไม่ได้แบบเป็นคนที่บรรลุอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วทีนี้การปล่อยวางเนี่ย เอหลายๆคนก็พูดถึงนะครับว่ามีการปล่อยวางให้ให้ทำอะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปยึดติดตัวของเราของเราแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันยากมากนะครับในชีวิตมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่แบบไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุอะไรขนาด น, นั้นนะครับผมมองว่าแนวทางแรกที่เราควรจะคิดถึงนะครับเออย่างที่ผมพ่อได้ในตอนนั้อธิบายไปว่าเออทุกอย่างมันคือสังขารเนาะตอนนี้มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้แท้ แต่เราก็ยังมีผมใช้คําว่าอะไรดีละ่ะวิจฉารณิถีแม้ว่าแบบเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังยึดติดกับกับความสุขบางอย่างยังติดกับร่างกายยังรู้สึกว่าการปล่อยวางมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับทีนี้แนวทางในการปฏิบัติจริงๆในการเริ่มต้นจริงๆ น, น, นะครับอท่านหลวงพ่อพูดไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะเข้ามาทีหลังเ ร, เราเราควรเริ่มจากอะไรก่อนนะครับแล้วแล้วเราจะประคองคือเริ่มจากการศึกษา เริ่มจาการปฏิบัติยังไงก่อนเพื่อเราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงแล้วเราตระหงความปล่อยวางนี้ให้ไปได้ไปตลอดเนี่ยมันต้องทายังไงบ้างนะครับดิ้ันก็เลยฝากคําถามไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับอ่าก็จริงๆมันก็มีวิธีนั่นแหละเนาะมีก็เรียกว่ามีทางทางเพื่อสู่ความพ้นทุกวิธีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็คือในเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันมีหลายอาจจะมีหลายพระสูตรเนาะแต่ทีนี้เอ่อก็แล้วแต่ว่า ผู้ฟังเนี่ยจะมีปัญญาฟังพระสูตรไหนเข้าใจแล้วก็สามารถปล่อยวางนะจนกระทั่งว่าหลุดพ้นได้เนาะแต่ทีนี้หลวงพ่อถ้า ห, หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อเน้นในเรื่องของความรู้สึกตัวนะต้องมีสติรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเรานี่แหละเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราแต่จะเอาตัวเราเนี่รู้รู้อย่างอื่นเนาะเช่นตัวเราไปเรียนหนังสือมาองี้ยตัวเราก็เป็นผู้มีความรู้ หรือว่าตัวเราไปไปฟังไปอะไรมาก็าได้อ่านได้จำก็ตัวเรามีความรู้อันนี้เขาเรียกว่ามันได้เข้าตัวมันได้มาแล้วก็เข้าตัวพอเข้าตัวเสร็จแล้วก็ยึดว่าเป็นของตัวไปเช่นความรู้จากการอา่านจากการได้ยินนี่เนาะมันยิ่งอา่านยิ่งฟังมันก็ต้องเกิดความรู้แน่นอนแลลวก็เป็นปัญญาแต่ด้วยความไม่รู้ไปยึดปัญญานั้นมาเป็นของตัวของตนว่าเรามีปัญญาเนาะหรือว่า ไปเรียนไปอ่านไปฟังแล้วไม่เข้าใจพอเกิดฟังอะไรก็ไม่เข้าใจอ่านอะไรก็ไม่เข้าใจแล้วก็ความไม่เข้าใจนั้น่ะจริงๆมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอาการเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเนาะแต่ก็ประยุตมาเป็นของเราว่าเราอะ่ะโง่เราไม่เข้าใจนะตรงนี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นว่าจริงๆอะ่ะ อ, อ, อะไรต่างๆที่มันมีอยู่อย่างที่หลวงพ่อพูดน่มันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตน แต่ด้วยความไม่รู้เนี่ยก็เรียกว่าเอาวิชาเนี่ยไปยึดสังขารมาเป็นตัวเป็นตนพอยึดเสร็จแล้วผู้ยึดเนี่ยแหละเมื่อเป็นตัวเป็นตนแล้วเนาะผู้ยึดก็เป็นทุกข์เองแต่ทีนี้ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะเห็นเห็นสังขารอยู่เป็นประจําอยู่เนืองๆนะเข้าใจยังถูกต้องว่าสังขารก็คือสังขารฉันสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน สังขารมันก็เกิดดับตามปกติของมันมันมีแล้วก็หมดไปมันเปลี่ยนสภาพแล้วก็เปลี่ยนไปก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารมันมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ก็ไม่มีเราเป็นสังขารได้แต่ก็เรียกว่าได้แต่เป็นปัญญาเนาะปัญญาที่เห็นที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้หลงยึดสังขารมาเป็นตนแค่นี้มันก็เป็นความหลุดพ้นเป็นความพ้นไปจากความทุกข์เพราะที่ทุกข์เนี่ยตัวตัวสังขาร น, นั่นแหละคือมันเป็นตัวทุกข์ ด้วยตัวมันเองแต่ผู้ทุกข์ไม่มีอันนี้หลวงพ่อสรุปย่อๆมาเพื่อให้เป็นภาพแนวทางพอเข้าใจนะก็คือโดยรวมก็คือว่าเกิดจากความเข้าใจผิดความเห็นผิดนะพูดง่ายๆก็คือแบบไม่ฉลาดในทางธรรมะนะไม่มีปัญญาเออไม่มีวิชาเพราะนั้นที่เราเรียนธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็คือนเนี่ยสร้างเหตุทำเหตุนะทเหตุขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดสติปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่สังขารเทานันที่เป็นเป็นเป็นทุกข์เอ่นีนะทีนี้หลวงพ่อก็เมื่อตรงนี้แล้วก็ภาคปฏิบัติจริ ง, รงๆระหว่างที่หลวงพ่อพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะออนำทางที่จะให้เป็นการปฏิบัติพร้อมๆกับการฟังน่านำปฏิบัติพร้อมๆกับการฟังแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเข้าใจได้เอาอย่างนี้ก่อนนะว่า เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากให้รู้จักตัวเราก่อนนะตัวใครตัวมันเนาะเออให้รู้ว่าเนี่ยมีตัวอยู่ตัวอยู่ที่ไหนตอนนี้ตัวกําลังยืนสมมติตัวยืนมันก็รู้ได้ว่าตัวเนี่ยยืนอยู่ไอ้ตัวเนี่ยก็คือตัวสังขารเนาะหรือว่าบางตัวอาจจะนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าไอ้ตัวที่นั่งนี่ก็เป็นสังขารหรือว่าตัวที่กําลังนอนอยู่ตอนนี้ก็ให้รู้ว่า ไอ้ตัวที่นอนก็เป็นสังขารทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยตัวเนียมันไม่ใช่มีแท้แท่ตัวอย่างเดียวเนาะตัวเนี่ยมันพูดได้เนี่ยเหมือนหลวงพ่อเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกำลังยืนพูดอยู่เนี่ยหลวงพ่อยืนพูดไอ้ตัวเนี้ยพูดได้แต่ตัวพูดมันก็คือสังขารนะแล้วก็อ่าแล้วถ้าตัวคิดล่ะตัวมันมีตัวเนาะแล้วก็มีมีความคิดด้วยระหว่างยืนเนี่ยมีความคิดด้วยไอ้ตัวคิดก็เป็นสังขารอ่า แล้วก็ไอตัวที่รู้สึกว่าตอนนี้กาลังสบายรู้สึกสบายโล่งโปร่งเบาสบายความโล่งโปร่งเบาสบายก็เป็นสังขารนะหรือบางตัวตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลกำลังไม่สบายใจกำลังขับแค้นใจอาการนั้นก็เป็นสังขารนะหรือบางคนแบบโอแบบแบบมันมีความสุขมากเลยอะตอนนี้มีความสุขอิ่มเอิบใจปิตินะ อันนี้ก็เป็นสังขารสิ่งที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเหล่าเนี้ยมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าหลวงพ่อจะใช้สัพท์รวมๆกันเลยกันว่าสิ่งที่กําลังปรากฏหรือกําลังมีอยู่ตอนเนี้ที่รับรู้ได้นี่นะมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็หมดไปดับไปนะแต่ทีนี้ ไอ้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเนี่ยมันมันมีอยู่ไหนไหนมันปรากฏอยู่ไหนไหนมันก็มีอยู่หรือว่าปรากฏอยู่ในความไม่มีตรงนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคือรับรู้ได้เนาะเนี่ยว่าตัวเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันรับรู้ได้ว่ามีแล้วก็มีอาการอย่างไงอย่างไงก็คือรับรู้ได้ว่าว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันมันมันอยู่ในความไม่ปรากฏกับความไม่มี ตรงนี้มันจะยากแต่ว่าเดี๋ยวหลวงก็จะเอาตรงนี้ก่อนนะที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อสักครู่เนะว่าทุกอย่างที่มีที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้ก่อนพอเข้าใจได้ไหมว่ามันเป็นสังขารขอบพระคุณครับอ่าอาทีนี้เอาตรงนี้ก่อนนะเข้าใจเนา ะ, ะว่ามันเป็นสังขาร น, นะแล้วก็สังขาร น, นี่จริงจพระพุทธเจ้าตรัสเองอว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงนะ ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นสังขารแล้วสังขารเนี่ยมันมีทุกข์ในตัวของมันคือมันจะต้องมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องทำให้เปลี่ยนแปลงไปดับไปหมดไปนะแล้วก็อันเนี้ยที่เป็นสังขารเนียที่มันมีความเป็นทุกข์อยู่ในตัวเนี้ยท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าชี้ทางหมดแล้วว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระองค์ฟังทำท่านแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวพิจารณาจนให้มีปัญญาเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําว่าเออนี่นะไม่ใช่เรานะทีนี้ถ้าผู้ที่มีปัญญาสามารถเข้าใจได้แล้วก็ ลงแก่ใจจริงๆว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันเป็นแค่สาภาพธรรมะหรือว่าเป็นธรรมอ่าเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราตรงนี้ก็จะเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาได้เมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาได้นั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยที่เป็นปัจจุบันขณะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอ่าในกายก็ดีในจิตใจในความรู้สึกก็ดีมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งเกิดดับเท่านั้นเองอ่าไอเนี้ยไอนี เขเรียกว่าเข้าใจในขั้นความที่เป็นอใจลักษณ์ของของสังขารเนาะออของธรรมะทีนี้ยหลวงพ่อก็อยากจะถามในตรงนี้ก่อนว่าพวกเราจากฟังแล้วเนี่ยพอลงแก่ใจบ้างไหมพอเข้าใจระดับหนึ่งไหมว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเนาะเราเนี่ยมันเข้าใจผิดมานานว่านึกว่าเป็นเราเป็นเราแบบนี้รู้สึกว่ามันเออมันฉลาดขึ้นแล้วรู้สึก ม, มันมีเหตุผลคือแว่าอาจจะลมใจด้วยเหตุผลก่อนว่าเออมันเป็นเราไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรามันก็ต้องอยู่อยู่ยงคงกับพันุ์ต้องไม่เปลี่ยนเนาะเกิดมาแล้วจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็เกิดมาแล้วร่างกายเท่าไหนมันก็คือเท่านั้นไม่ต้องโตกันแล้วก็ไม่ต้องรีบลงอ่ะหรือว่าความคิดความรู้สึกถ้ามันเป็นสุขแล้วมันก็ต้องเป็นสุขถาวรมันจะต้องไม่มีทุกขม์มามาผาสมหรือว่าถ้ามีทุกขแล้วมันจะทุกข ถาวรเหมือนกันแต่ความจริงเห็นไหมมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารเนี่ยมันมีความลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะไปหยุดไปยับยัง้งให้เป็นไปตามใจหวังได้เลยตรงนี้มันก็ชี้อยู่ดูแล้วว่าเราเนี่ยไปสั่งหรือไปจัดการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้ มีแต่ความเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยที่มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่ามีปัญญาเป็นปัญญาแลี่ก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้อย่างที่โยมพูดในตอนต้นนะบอกว่าเออยอมรับกับมันได้เนี่ยถ้าใจยอมรับได้มันก็คือไม่ทุกข์ไงแต่ที่ที่มันเป็นทุกข์กันเพราะว่ายอมรับความจริงไม่ได้ความจริงก็คือเนี่ยที่มันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ก็เลยผู้ที่ยอมรับไม่ได้ก็เลยเป็นทุกข์เสียเอง แต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนาะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าจริงๆก็ไม่มีคนแล้วก็ใจเนี่ยมันมีปัญญาแล้วก็ยอมรับได้พอยอมรับได้มันก็เออความทุกข์ก็คลายลงคลายลงจนกระทั่งว่าถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งมันก็คือยอมรับได้ทั้งหมดว่าสังขารเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยจะเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่มันเป็นไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ได้เกิดมาเราไม่มี ข, ข, ขจส่วนนี้แล้วนะส่วนที่เป็นสังขารไม่เที่ยงนะเดี๋ยวหลวงพ่ออาจจะอธิบายในส่วนที่ สิ่งที่ไม่ปรากฏอีกขั้นหนึ่ง